วันนี้เป็นวันที่13สิงหาคมพศ2516ตรงกับวันเสาร์้น่เข้าคันเดือนเก้าเรกเรามีการนัดประชุมกันที่วัดสนามไหนเพราะจะรู้ความเป็นมาของวัดสนามไนหรืออะไรต่างๆ เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติธรรมนั้นวันนี้จึงเป็นวันถือโอกาสที่ให้พวกทรรนทั้งหลายได้มาพบปะ ก, กันหรือมาประชุมกันเพื่อทำความเข้าใจในหลักวิธีปฏิบัติและควรเป็นมาของวัดสนามในอีกด้วยใครมีความคล่องใจยังไงก็ ได้เรื่องเป็นมาของวัฒนธรรมในวัฒนธรรมในนี้เริ่มแรก <c oughs> อาตามามาจํารรษาที่วัดสมประทานก็เกี่ยวข้องกันเรื่องกรรมรฐานที่วัดสมประทานเจ้าคุณปัญญาพร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัด เลยและคณะสมอีกเยอะมากๆเรามัติให้อัตมามาจำภาษาที่วัสุนประานมือมาจำภาษาที่วัสุนประานก็ปลาว่าดีโยมคนหนึ่งคือคุณวิโลกสิริอและมหาสุขสรรเราเป็นประวัติเรื่องมั ส, ส น, มน้ำไหนี่เป็นวัดล้างมา ไม่มีพระไม่มีเมนล็กลงลังใครมาก็กลัวว่ามีผีมีอะไรต่างๆไม่มีคนเข้ามา <c oughs> เมื่อได้พูดกันตกลงแล้ว <c oughs> อาตมาก็ให้ลูกศิษย์หลายท่านเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้ทีแรกอาตมาก็ยังมาไม่ได้ กพราะยังมีการเกี่ยวข้องกันการปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสุนประธานก็ต้องจำพรรษาที่วัดสุนประธานอีกหนึ่งปีพร้อมกันทั้งสองปีปีแรกกับปีที่สองก็เียมาจำพรรษาที่ตรงนี้เมื่อมาจำพรรษาที่ตรงนี้ก็อยากให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพราะวัดต่างๆนั้นมีการก่อสร้างวัตถุอันมากเส้นโบสถ์เจดี JD, อะไรต่างๆนั้นสร้างกันมากแล้วที่วัสนารมในไม่ต้องสร้างอะไรให้มากเพราะว่าเราจะดูธรมตรมชาติต้นไม้ตือใบไม้พื้นดินมันทำประโยชน์อะไรให้คนได้ เมื่อเรามาศึกษาที่ตรงนี้ก็พร้อมๆ ก, กันกับลูกศิษย์หลายท่านได้ตกลงกันเอาไว้ว่าไม่ต้องสร้างอะไรมากเพียงมีกุฏิเล็กๆนอนและขับอกันแดดกันฝนเล็กๆน้อยๆเมื่อตกลงกันเช่นนั้นก็ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ เมื่อถึงตอนนี้ก็ยังคงที่ <c oughs> พื้นที่ก็ยังเหมือนเดิมเป็นดังนั้นวัดนี้จึงเป็นสถานที่ปฏิบัติทุกคนมาปฏิบัติได้วิธีปฏิบัติธรรมะก็ไม่เหนมื่นกันกับวิธีที่อาจารย์อื่นๆที่สอนกันมา นิธีอาจารย์อื่นสอนอมานั้นตัวของอาตมาเองหรือตัวของผมเองก็เคยปฏิบัติมาไม่น้อยระยะเมื่อเป็นโยมอยู่เคยรักษาสิ่งเคยให้ทานเคยทำกรรมฐ า, านมาแต่ไม่รู้ว่าให้ทานคืออะไรรักษาสิ่งคืออะไร ทำกรรมฐ า, านคืออะไรไม่รู้เพียงทำตามครูตามอาจารย์มาเท่านั้นไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาไม่เห็นแจ้งไม่รู้จริงต่อมาเมื่อมาพิจารณาเทิรนการทำบุญทำทานพื่ทำกรรมฐ า, านก็ทำมามากต่อสมุปนแล้ว แต่เรายังไม่หายสงสัยคื อ, อยังมีความทุกความเดือดร้อนสับสนคุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นแหละทุก ง, ง่ายก็คือยังละปลอมโกงปลอมโลภป็นมโมง่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นต่อมาก็ได้ไปศึกษาวิธีปฏิบัติง่ายๆแต่ในขณะทศไปศึกษาสัปป า, ายะนั้นอันสอนวิธีคองลุก ออกหนอจุกหนอนการยกต้นหนอยกหนอไปหนอมาหนอถูกหนอลงมากดหนออย่างนี้หลยมีสอบไล่ได้ท่านกบว่าได้าำแต่ทำแล้วมันไม่เกิดปัญญาเพราะสิ่งนั้นเคยทำมานานแล้วก็เลยมาทำเป็นวิธีเคลื่อนไหวอย่างสบายๆนี่ห ใครจะพูดยังไรก็ตามท่านอาจารย์ไม่ให้ภาวนาตายหนอตายหนอนืน่นเขาทำมานันก็ไม่รู้เลยมากำหนดอย่างที่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ผู่ย่าตายายเคยสอนเอาไ ว, ว้ว่าให้กำหนดในริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอน และให้มีสติข้อสกมุตติรยะยบุดยอ่อยเช่นผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามเพราะมีครูบาอาจารย์ก็เคยสอนแต่ท่านไม่ได้สอนวิธีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านสอนให้ภาวนาเอาเมืม่อมาพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ทำการเคลื่อนไหวตัวเรานี่แหละ เคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปรู้ยืนขึ้นนั่งลงเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยให้มีสติเข้าไปรู้นะวลุกขึ้นเดินเคลื่อนไหวทางมือก็ให้มีสติเข้าไปรู้เดินหน้าถอยหลังก็ให้มีสติเข้าไปรู้เมื่อทำเช่นนี้ มันเป็นการปฏิบัติตัวเองดังนั้นการปฏิบัติธรรมจริงเป็นการปฏิบัติตัวเองให้รู้ตัวเองให้เข้าใจตัวเองและสัมผัสตัวเองได้จึงเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆเมื่อท่านเช่นนั้นก็เลยรู้ทาเห็นทาเข้าใจทาแต่ก่อนไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจธรรมะคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ มีครูบาอาจารย์ท่านสอนธรรมะต้องเป็นสีเป็นแสงหรือเป็นลูกแก้วนีืเป็นพระพุทธรูปลอยมายองอยู่บนศีรษะเราหรืออยู่ที่หน้าอกเราครูบาอาจารย์เคยสอนอย่างนั้นเมื่อมาทำเช่นนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นคำพูด แต่เราไม่รู้แล้วก็นิขึ้นมามันก็นรู้มันก็เห็นแต่ลืมตาขึ้นแล้วไม่เห็นหายไปที่ไหนหมดไม่ฝากเลยตอนเทตมารู้วิธีที่อาจาร์นามาพูดในวันนี้ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นไปไหนมาไหนต้องเห็นอยู่ทุกขณะทุกเวลาเดีว๋วเห็นัด เห็นธรรมก็คือเห็นตัวเรานี่ตัวเรานี่เนี่ยเป็นธรรมะแต่ตัวหนังสือนั้นเป็นการเขียงช่วยจามันเลยเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เลยหมดทุกทุกสิ่งที่เราสงสัยเรื่องธรรมะหมดจิตจิแต่พูดตามลำดับก็เรียกว่าเข้าใจขั้นต้นๆพิกมือพื้นอย่างที่อาต ม, มาทำเนี่ย นโนรรมทำมันก็ได้ยังทำมือวางไว้อย่างนี้นะลิกมือขึ้น อ, อย่างมีสติเข้าไปรู้ยกมือมีสติเขาไปรู้เอามือมาที่สะดือมีสติเข้ามารู้พลิกมือท่ายตะแคงขึ้นมีสติเขาไปรู้ยกขึ้นมาขึ้นตัวมีสติเข้าไปรู้เอามาทับมือขวาที่สะดือเขอมีสติเข้าไปรู้ เลื่อนมือใ้ายขึ้นหน้าอกก็มีสติเข้าไปรู้เอาเอามือขวาออกมาตรงข้างก็มีสติเข้าไปรู้ลถมือขวาลงที่ขาหัวตักแรงไว้ยก็มีสติเข้าไปรู้ว่ามือขวาลงที่ขาขวาก็มีสติเข้าไปรู้จะวิธีนี้ไม่ต้องหลับตาลืมตาทําก็ได้นั่งหลับตาทําก็ได้แต่ไม่ถนัดเรื่องการหลับตา เลื่อนมือไส้ขึ้นหน้าออกก็มีสติเข้าไปรู้เอามือไส้ออกมาตรงข้างก็มีสติเข้าไปรู้ลดมือซ้ายลงที่ขาไส้ตะแคงไว้ก็มีสติเข้าไปรู้ขัวมือไส้ลงที่ขาไ ส, ากส้ก็มีสติเข้าไปรู้เมื่อมีสติเข้าไปรู้มันเกิดความรู้นี่วัดเป็นการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติที่ตัวเองรู้เรื่องรู้เรื่องนาน รูปได้แก่ร่างกายนามได้แก่จิตใจรูกกับนามนี่แย่งกันไม่ได้ถ้าแยกรูป ก, กับนามออกจากกันแล้วหมดลมหายใจได้กว่าตายตายแล้วปฏิบัติธรรมไม่ได้เรืเข้าใจอย่างนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ก่อนรู้ ร, รูปทำนามทำธรรมะคือการกระทำทุกสิ่งทุกจักร ทำนาธรรมสวนนึกเขียนหนังสือซื้อขายก็ต้องเป็นการปฏิบัติธรรมก็เลยเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นเนนก็ได้เป็นโยมก็ได้เป็นใครก็ได้ในระยะนั้นอาตมาก็เป็นโยมปฏิบัติธรรมะนุ่งกางเกงขาสั้นมากขายาวบากนุ่งงนั้น เมื่อรู้อย่างนี้เขาเลยรู้โรคโลกน้ำโลกลูกโลกน้ำโลกมีสองอย่างโรคทางเนื้อหนังเนี่ยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอตรวจเซ็กร่างกายให้แล้วก็ให้ยามาต้มโรคก่วยหนัได้โรคทางจิตใจเล่าแบบนี้ร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บหัวไม่ปวดท้อง แต่มีคนมาพูดพอใจไม่ขอใจนี่จิตใจวิญญาณเป็นโรคแล้วหมออยู่ในโรงพยาบาลก็แก้ไม่ได้บางทีตัวหมออยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นโรคอันนี้ด้วยพระสงฆ์องค์เลนก็เป็นโรคอันนี้ทางนั้นญาติโยมก็เป็นโรคอันนี้ทางนั้นก็เลยมาเข้าใจเรื่องน เมื่อเข้าใจเรื่องนี้การเคลื่อนไหวไปมาในอิริยาบถ ท, ทุกอิริยาบถนี่เข้าใจถึงตัวทุกข์ดังนั้นจึงกําหนดในอิริยาบถนั้นให้รู้ทุกข์เท่าไหร่ในอิริยาบถ ท, ทุกส่วนรู้ว่าเป็นทุกขงังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทุกขังมันติดอยู่กับรูปเมื่อคนหรือสัตว์ อะไรก็ตามมีการเคลื่อนไหวดูนั้นคือมีจิตมีวิญญาณถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยว่าตายแล้วต้นไม้ก็ตายแล้วไม่เคลื่อนไม่ไหวคนก็ตายแล้วไม่เคลื่อนไม่ไหวนี่เป็นอย่างนั้นก็เลยรู้อันนี้รู้แล้วก็ไม่หลงไม่หลุดใครจะว่ายังไงก็ตามมั่นใจว่าเรารู้เราเข้าใจตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าใจอย่างนี้ คำว่าอนิจจังก่อนนั่งนิ่งๆไม่ได้มันมีการเคลื่อนไหวมีพิษตามีหายใจเข้าหายใจออกเกินน้ำรายนึกคิดเนี่ยรีกว่าอนิจจังอนัตตาบังคับบังสาไม่ได้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของมันและปฏิบัติให้รู้ดังนั้นการศึกษากับการปฏิบัติจึงไม่เหมือนกัน ที่พูดนี้ไม่ต้องศึกษาอันน know <izo. taps S 3> <sho> ี <Brilliant>. ้เ <believed> ป็นการปฏิบัติให้รู้เมื่อปฏิบัติให้รู้มันกลมู้อมีอยู่สองอย่างด้วยกันปฏิบัติเพื่ออยากรู้สนิดหนึ่งปฏิบัติเพื่อความอยากไม่รู้อีกชนิดหนึ่งปฏิบัติเพื่อความอยากรู้เป็นอย่างไรปฏิบัติเพื่อความอยากไม่รู้เป็นอย่างไร ถ้าปฏิบัติไปแล้วก็ไปชอบถามคนนั้นไปชอบถามคนนี้อันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออยากรู้ปฏิบัติเพื่อความไม่อยากรู้อยากไปถามคนอื่นเอาจําคําพูดของคนอื่นเอาอันนั้นปฏิบัติเพื่อความไม่อยากรู้เข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติเพื่อความอยากรู้นั้นไม่ต้องถามใครที่ไหนให้เราปฏิบัติที่ตัวเราอันนี้ปฏิบัติเพื่อความอยากรู้ ข้อของจริงมันมีอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามพูดว่าสัจธรรมคำว่าสัจจะก็แปลว่าของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามต้องมีอยู่อย่างนั้นจะรู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าสัจจะคือของจริง ของแท้ไมตเปเมื่อรู้อันนี้ก็เลยรู้สมมุติขึ้นมาสมมุติอะไรรู้ให้ครบให้จบให้ท้่วสมมุติวัดม า, าลาบุตรพิหารตึกล้านบ้านซ่องถนนหนทางเราก็ต้องรู้เมธนบัตพุทธองค์ขังเราก็ให้รู้สิ่ง น, นั้นมันไม่รู้เราไปสมมุติขึ้นให้มัน ผีเทวดาก็เหมือนกันเราเราไม่รู้แล้วก็สงสัยเมื่อเรารู้แล้วไม่ต้องสงสัยเมื่อไม่ต้องสงสัยก็เรียกหมดทุกไม่เป็ น, นการปฏิบัติอันนี้มันรู้อย่างนี้รู้อย่างอื่นไปไม่ผูดเรื่องนี้เมื่อรู้สมมุติผีเทวดา น, นกสวรรค์บาป บ, บุญเหล่านี้แหละรู้หมด แล้วเกิดเกิดแล้วตายมันรู้มันเห็นมันเข้าใจทราบซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงในจิตใจของบุคคลผู้ที่รู้ใครก็ตามรู้ได้เช่นเดียวกันเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเป็นพระเป็นเนรก็ตามเป็นสนรนทรักษ์ไหนพาสาใดาถือาศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามรู้อย่างนี้ เมื่อรู้อย่างนี้ครบจบทั้วนแล้วก็รู้ศาสนาแล้วก็รู้พุทธศาสนาตอนนี้ก็เลยมาซักเรื่องที่สมัยเป็นเมงผู้บาอาจารย์เราให้ฟังเพอแม่ปู้าตายายคนเฒ่าคนแก่คนเรเ า, เาให้ฟังกาทรทําลายพุทธศาสนานั่นบาปหนะักเป็นอนันตริยกรรมทันวะ เราก็ไม่รู้เราก็กลัวบาปคือไม่ต้องไปแตะต้องพระพุทธโลกหรือหนังสือใบลานหนังสือธรรมเขียนไม่ตามใบลานเราก็ต้องกราบต้องไหว้เขา้าใจจังงั้นเข้าไปในโบสถ์นี่ก็ต้องล้างเท้าก็ยังขึ้นไปได้ไม่ล้างเท้าก็ไม่ขึ้นไปกลัวบาปมันยรางนะเมื่อมารู้อย่างนี้ อ๋อนั้นมันเพียงสมมุติขึ้นมานิว่าศาสนาสมมุติแต่คนส่วนมากจํานวนร้อยคนอาจจะรู้อย่างที่สมมุตินั้นเพียงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นจะรู้อย่างที่เหนือสมมุตินี้ภายในจากักสามสี่ห้าเปอร์ซ็นเท่านั้นดังนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญได้ยากเพราะคนไม่สนใจเรื่องนี้ เมื่อมารู้เรื่องนี้ตัวศาสนาจริงๆคือตัวคนนั่นแหละทุกคนผู้หญิงผู้ชายผ้าส ง, งองเนนส้นศากหนไานภาษาใดพอตามเป็นตัวศาสนาทั้งนั้นศาสนาจริงแปลว่าคำสอนของท่านผู้รู้สอนเข้าหูคนคนทุกคนมีสติปัญญาไม่เหมือนกัน แต่สัตว์ก็นี้มีหูแต่มันจําไม่ได้แต่คนนี้มันจดจําได้และกดพิจารณาได้ดีดังนั้นศาสนาจะคือตัวคนพุทธศาสนาคือตัวรู้ตัวสติตัวปัญญารู้กระลองกรมมืออย่างเนี้ยกรำมืออย่างนี้รู้ควรมันรู้มันหายไปไหนควมไม่รู้นั้นมันหายไปเองเราเหยียดมืออย่างนี้เราก็รู้กำมืออย่างนี้แล้รู้ อันตัวรู้นั่นคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาไม่ว่าสมาธิไปนั่งหลับตาอันนั้นยังเป็นเรื่องของบุคคลผู้ที่สอนก็ยังไม่รู้คนที่สอนไม่รู้คนที่ทำตามก็ไม่รู้คนที่สอนรู้คนที่ทำตามก็ต้องรู้ ดังนั้นการฟังธรรมะหรือการสนทนาธรรมะนั้นต้องฟังธรรมะจากบุคคลผู้ที่รู้และสนทนากับบุคคลผู้ที่รู้เมื่อฟังธรรมะบุคคลผู้ที่รู้มาพูดคนที่ฟังตั้งใจฟังก็รู้คนที่พูดตั้งใจพูดให้ฟังคนที่ฟังไม่ตั้งใจฟังก็ไม่รู้เช่นเดียวกัน พูดกันอย่างที่วันนี้ก็เช่นเดียวกันญาติโยมมาที่นี่ด้วยเพื่อนภิกษุสามเณรมาที่นี่ถ้าใครง่วงหลับง่วงนอนก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีความอยากรู้ความอยากรู้ไม่มีมีแต่ความไม่อยากรู้คาว่าไม่อยากรู้จะมานั่งทําไมมันนั่งเฟยเฟมันไม่อยากรู้มันอยากนอนมันก็เลยไปทังความไม่อยากรู้มันไปไหนมันอยากรู้เรื่องอื่นไปมันเลอตัวไปนั่นเป็น ันั้นการกระทำเช่นนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติก็ได้เนือจะว่าเป็นการภาวนาก็ได้แต่ไม่ต้องบริกรรมภาวนาอย่างนั้นภาวนาอย่างนี้ไม่ต้องอย่างนั้นวิธีนี้ทำง่ายๆใครทาก็ได้เมื่อรู้พุทธศาสนาแล้วก็รู้เรื่องการทำบาปอีกอย่การทำบาปนั้นคือทำลายมนุษย์นี้เอง การทำลายมนุษย์นี่แหละเป็นอ น, นันตปฏิยกรรมให้เข้าใจอย่างนี้แต่อย่าเข้าใจอย่างนี้แต่ให้ไปพิจารณาเองอย่างโบหรือพระพุธรูปด้วยตัวหนังสืออันนั้นเราเขียนขึ้นมาแล้วก็ลบได้โบนี่ก็ทำขึ้นมาแล้วมันก็นสมุดชุดสซนไปได้ม่างเตไปได้พระพตทธรูปคนเดือนกันเนี่ยไป ตัวคนนี่แหะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติมันเป็นมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจริงๆเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นหม่ได้ดังนั้นคนใดทำลายคนเรียกว่าคนนั้นแหละผูกเป็นอนันตริยกรรมไปแล้วนีว่าผิดแล้วผิดคาสอนของพระเที้ยวจริงๆเมื่อพูดเช่นนี้คนส่วนมากก็หาว่าทำลายพุทธศาสนา แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นตัวของอาตมาเองนี่แหละพยายามยกน้องหลักพุทธศาสนาส่งเสริมพุทธศาสนาให้จเจริญมั่นคงแต่คนใดยังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าใจศาสนาเพียงสมมุติเป็นเปลือกมันไม่ใช่เป็นเนื้อของพุทธศาสนาเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้บาปบากก็คือไม่รู้นั่นเองผมอยากไม่รู้นั่นแหละบา ผมอยากรู้ก็เป็นบุญบุญก็คือรู้เมื่อปฏิบัติตัวเองรู้รู้แล้วมนก็บสบายใจอันนี้เป็นภาคสมมติเป็นวิธีปฏิบัติขั้นต้นๆมาวันนี้ก็เลยพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมทีเดียวเพราะว่าเรามาที่นี่มีการศึกษาสนทนากกีเรื่องธรรมะอย่างเดียวดังนั้นเรื่องการทาบุญ การรักษาศีลหรือ ก, การทำกรรมาฐานที่สุดเรียวกว่าเจริญวิปัสสนาพวกท่านทั้งหลายได้ทำกันมามากแล้วบางคนก็ทำน้อยบางคนก็ทำมากแต่วิธีที่อาตมาพูดนี้บางคนอาจไม่ได้ทำบางคนอาจจะทำเมื่อพูดถึงการกระทำก็เอาหยุด ก, กันไว้เพียงแค่นี้ตอนพูดแล้วก็ยังจะพูดเรื่องจิตเรื่อง อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติให้รู้เบื้องต้นก็หมดทุกข์เลยหมดสมมติสมมติผีเทวดานัลกสวรรค์ไม่ต้องกลัวแล้วไม่กลัวแล้วเราหลีกได้ผีเราก็หลีกได้นรกเราก็หลีกได้เทวดาเราเดินเข้าไปหาได้อย่างนี้ผีคือคนทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเราเคยได้ยินกันอยู่ไอ้ผี ทำไม่ดีพูดไม่ดีคาว่าไอผ้ผีถ้าพูดยิงคาว่านางนี้คือผีเนี่ยถ้าพระเนรทําไม่ดีกับพระเนร อ, องนี้คื อ, คอผีมันเพียงคือมันไม่ใช่เป็นตัวจริงแต่เมื่อเราเห็นตัวจริงคือจิตใจมันเป็นผีนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เลยหมดทกเทวดาคือคนพูดดีทดําดีคิดดีมีหทริ์อตุตตรปักก็เลยเข้าใจเรื่องนี้ม เราเขาต้องทาตัวเราให้เป็นเทวดาก็ได้เปลี่ยนวิธีทำนี่แต่แต่ดูพอได้นั่งอย่างนี้แหละนั่งอย่างที่อาจามานั่งอยู่นี้เนี่ยอาจามามันชอบนั่งอย่างนี้นั่งนั่งกับเทียบนั่งกับเทียบอย่างนี้เนี่ยนั่งเอามือวางว่าอย่างนี้เลยติบมือขึ้่นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกทําสัทธา เอามาเดนอรููสิบนกมือซ้ายตะแคงขึ้นรู้สิบนิ้มือซ้ายขึ้นขึ้นตัวรููสิบเอามือซ้ายมาทับมือขวารูสิบเลื่อนมือขวขึ้นหน้าอกรู้สิบเอามือขวาเอาตรงข้างรููสิบลดมือขวลงที่ขาขวารูสิบรวบมือขวลงที่ขาขวรูสิบเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกรู้สิบ เมือซ้ายออกมาตรงข้างรู้สึกรดมือซ้ายลิขิตาซ้ายตะแคงไม่รู้สึกรวบมือซ้ายลิขิตาซ้ายรู้สึกรวมรู้สึกนันทเทวสติผลึกได้คนใดพลิกมือขึ้นไม่รู้สึกรวบมือลงไม่รู้สึกเป็น ค, คนรืมตัวคนลืมตัวนี่ถึงจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วท่านว่าอยนั้มันเน่าเหม่งเบี้ยเต็ จิตใจบันเนา่ามันคมรู้สึกมันเป็นอย่างไรขมรู้สึกว่าท่านว่ามีสติท่านนี่ว่าเป็นคนก็ได้เป็นเทวดาก็ได้หรือเป็นมนุษย์ก็ได้หรือที่ว่าเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ท่านเคยสอนเอาไว้พระอริยบุคคลนั้นเป็นผู้ตื่นตัวมีสติอยู่เสมอท่านสอนอย่างนั้นแต่เราไม่ตอนนี้เมื่อนั่งอย่างนี้สร้างไปมากๆมันเจ็บแขงเจ็บขา ก็ต้องทหทมือเดิมทิปมือขวตัะแคงขึ้นยกขึ้นปมาณสะเดือยทิปมือซ้ายตะแคงขึ้นยกขึ้นมาทับมือข ว, วพอดีมาทับมือขวาแล้วก็ก้กมลงอย่างนี้เนะี่ยให้มันยู่งสิสบตัวเอจะก้มลงได้ที่มันมก็ตัดตรงคอยกขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นแล้วก็เลื่อนเท่านี้มาบานนี้เอาเท่านี้มาสอดกันก็นั่งลงอย่างนี้เนะี่ย เปียนอย่างนี้ไม่ยอมเคลื่อนไหวไปที่ไหนเี่ยเพราะเราจะทําอย่างนี้ซทีอื่นทามาแล้วมาทําเหมือนเดิมทําอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้เคลื่อนมือซ้ายมาอย่างนี้เอามา้จะทำอย่างนี้แบบนี้มันง่วงหลักท่อดีแต่ง่วงหลักเราก็เปลี่ยนเรียบบทแต่มันไม่เจ็บแค่เจ็บขาจะเป็นง่วงหลัก เราเพลิกมืออย่างนี้ยกมาอย่างนี้เอามาที่นักตรงอันนี้เราเข้ามาอย่างนี้พลิกมือนี้ขึ้นมายกอย่างนี้เอามาอย่างนี้เอามาเช็ดนี้ยกขึ้นมาที่ตรงนี้เอามาที่ตรงนี้รวมร่างหลักก็หายไปทำอย่างนี้ทำบ่อยๆทำจนคนเคยสิ้นไปน แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นการภาวนาเป็นการบริกรรมอย่างคนอื่นทำมันเป็นการภาวนาเจริญสติทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำบ่อยๆทาเดียคนเคยซีนไม่ ว, ว่าสร้างควมรู้สึกให้จักมากเมื่อทําอย่างนี้เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวมาแล้วผลลุกมืนตั้งดีๆแล้วลุกเพิ่ม มาทำจังหวะอย่างนี้งอ ย, ยืนันก็ได้นอนงทำก็ได้นอนทำก็ได้ทําอย่างนี้ทำท่านรู้สิบตัวตอนนี้เองทำอย่างนี้ทำทำนนมันตั้งดีๆแล้วกัลุกขึ้นมาทจังหวะอย่างนี้งอ ย, ยืนทนก็ได้ นั่นงทาก็ได้นอนทำก็ได้ทำอย่างนี้ทำให้มอนรู้สิบตัวตันนี้นเองทำอย่างนี้ทำจนตลอดวังตลอดคือนั่งคน้อยนอนคน น, น, นนอน้อยทาสม่ำเสมอวัน น, นี้เราไปเดินเดินก็ต้องกอดก เท่ไหนชอบพูดอย่างนี้รับรองวิธีนี้ว่าไม่ผิดใครทคําก็รู้ไม่ทำไม่รู้อันนี้มันเป็นการปฏิบัติถ้าหากใครทุกคนปฏิบัติอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรมันจะรู้รับรองว่าการกระทําอย่างนี้อย่างนานที่สุดไม่เกินสามปียางกลางหนึ่งปี อย่างเร็วที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบปันนานิสง่ต้องภูมตายแล้วจะเกิดสวรรค์ตายแล้วไปดิพันไม่้องภูมินานิสงของมันคือรู้รู้ตัวเรานี่เองรู้ปัจจุบันนี่เองดังนั้นจังหวาเห็นธรรมต้องเห็นตัวเราเห็นธรรมอยู่เพราะเหตุสรรพนาคในะที่นั้นนันอย่างเป็นแจ้ง ไม่งอนให้แอ่นคอนแครเราเวควรพอกผมอาการเชมันไว้เราพูดกันแต่เราพูดได้ไม่ปฏิบัติเห็นทำอยู่สะโพกหน้าก็คือเห็นตัวเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดเห็นเมื่อเห็นอยู่เป็นยังไงเรียกว่าเรามีสติเรามีสมาธิมีปัญญาสมาธิก็ไม่ได้หมายถึงการไปนั่งอันนั้นอันนี้ สมาธิคืตั้งใจดูตัวเองการเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรก็ต้องรู้เข้าใจอย่างน้ผู้เริ่สมาธิก็จะพูดให้ฟังสักเรื่องหนึง่งในสมัยอยู่สมัครสอนแก่มีคนคนเรียนหนังสือก็คงจะได้เป็นปัญญาปริยตีโดยเองไม่รู้แต่ยังคงรู้ในปริยา เขาทําไฟฟ้าแรงสูงเ ข, เขาเป็นคนทําไฟฟ้าแรงสูงเขาทํำวิปัสนามาได้เก็บปีเขาไว้เขาเลยเข้าไปที่วัดโมกขอนแก่นไปสนทนากันหลวงพ่อที่นี่เป็นที่จเจริญวิปัสนาติแต่ว่าจเจริญวิปัสนาพอได้แต่ว่าจเจริญ้นรูสึกตัวก็ได้ ผมก็ทำมาเหมือนกันก็ เ, เลยเป็นสนทนาถามเป็นเรื่องเป็นรามเขามีกระจุกตาเขาใส่แว่นตา嘛อาตมาเ็าขานั่นก็มีแว่นตาเหมือนกันพูดคุณทำยังไงทำดูเขาก็เลยนั่งอย่างนี้แหละพอดีที่แรกเขาหนาเขาเทียบพอดีให้เขาทำเข า, านั่งจากนี้เขาก็เลยนั่ง พอทีเขา <t> นั่งได้ทีแล้วอัมมาก็เลยบอกว่าคุณเอาแว่นตาคุณออกมาให้คุณแต่แรกเขาไม่ถือแว่นตาเขาคือแว่นตาอยู่เขานั่งได้ทีแล้วเขาก็เอาแว่นตาออกมาวางที้ตรงหน้าตัมมาก็เอาแว่นตาจะมามาวางที่ตรงหน้าให้เขาเห็นก่อนนั่งประมาณสักคู่หนึ่งตัมมาก็เอาแว่นตาเขาถือไปวางข้างหลังเขาพาตัมาไปวางมาข้างหลังคู่หนึ่งแบบคุณคุณลุกมาลืนตาดูแว่นตาคุณ ไปไหนเขาก็ลูนตาดูไม่รู้เรื่องคุณทำอย่างนี้ใครสอนมานี่แหละคนไม่รู้สอนก็ไม่รู้เพราะสอนแบบไม่รู้สอนแบบไม่อยากรู้คนที่ทำก็ทำไม่แบบแบบไม่อยากรู้คนที่สอนก็สอนแบบไม่อยากรู้ได้ไม่อยากรู้ได้อย่างก็เลยพูดให้เขาคุณทำอย่างนี้มีคุณหรือมีโทษเขามีคนรู้เขาก็พูดเรามีโทษ พูดเรื่องอะไรพูดอกแฟงสามันเสียไปถ้าทําอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนไหมไม่สอนข่าวว่งสอนแต่มีครูบาอาารสอนเช่นเดียวกันอันนี้แหละผมรู้จึงมีสอนสอนอยากให้รู้สอนอยากให้ไม่รู้พราะมันเป็นอย่างไงแล้วคนที่ทํำก็ทำอยากไม่รู้แล้วก็ทําอยากรู้มันมันเหมือนกันดังนั้นการศึก และปฏิบัติธรรมนั่นจึงแสวงหาบุคคลผู้ที่รู้คนที่รู้กล้าดักวัดลองได้ใครรู้แต่ไม่ใช่ตัวอัตมารู้ก็ว่าได้เยื้เพียงสมมุติขึ้นมาตัวอัตมารู้ก็ว่าได้อัตมากล้าได้อย่างนานสามปีถ้าใครมีเงินเดือนพันบาททำทั้งสามปีก็จะคิดเงินเดือนให้เดือนละพันบาท หากมีเงินเดือนห้าพันบาท ท, ทํำถึงสามปีก็จะคิดให้เดือนละห้าพันบาทแต่ไม่มีเงินเงินนี้ไม่มีเลยแต่ก็จะพยายามหาให้คนได้ถ้ามีเงินเดือนหมื่นบาท ท, ทํำถึงสามปีก็จะให้เดือนละหมื่นบาทเดือนละหมื่นบาทถ้าทำสามปีถ้าทํานึงปีก็จะคิดให้เหมือนกันทําถึงเก้าสิบปันก็จะคิดให้เหมือนกันเก้าสิบันกับสองเดือนคิดให้ตามทำเนียมอนั้นถ้าหากไม่รู้จริงๆรินะ รับรองได้หวะต้องรู้เพราะทุกคนมันมีพื้มันมีของรู้อยู่แล้วแต่เราไม่สอนให้กันรู้เท่านั้นเองอันนี้ถ้าจะพูดโดยตรงเดี๋ยวเราปิดปกป้ายสอนไม่อยากให้คนรู้ตัวเองก็ไม่อยากรู้ไปสอนให้คนอื่นก็ไม่ให้อยากรู้นั่นก็เลยไม่ ถ้าจะพูดไปอย่างที่ผิวผิวเผินๆกนเรียว่าเป็นการลืมตัวไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้จะไปรู้คนอื่นได้ทําการรู้ตัวนี่เนี่ยพุทธศาสน า, าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ตั ว, ไ ม, ว, าาวไม่แต่รู้ผีเทวดานรกสวรรค์ไม่ได้อย่างนั้นในนภาคต้นวันนี้ต้องสอนกันให้รู้ตัว มาในสงฆ์ไม่ต้องพูดถึงถ้ามีเราก็จะรู้เองเพราะเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองที่วัฒนธรรมในความเป็นอยู่ของพระเมมตอนเ้าปีสี่สองตีละครั้งธรรมะเช้าพอดีธรรมะเช้าเสร็จก็ <c oughs> อบรมกันให้อว่า แนะนำแนวการปฏิบัติกันภายในสามสิบนาทีเนือยี่สิบนาทีแล้วแต่โอกาสที่จะเหมาะสมเมื่อให้อวาสพอเหมาะรอควรแล้วก็ออกบิดทบาตเมื่อไปบิดทบาทมาแล้วอาหารตกในบาทมาทุกคนแม้ปัจจัยก็ตามโดยมากคนกรุงเทพสอบมีปัจจัยป็นในบาท ไม่เหมือนกับอย่างที่บ้านนอกอย่างที่คนหน้าบดบ้านนอกในสมัยนี้นกรุงเทพต้องมีสตาล์มีซองมีซองปัจจัยใสมาในบาตเมื่อมาถึงก็เก็บกออกให้หมดเก็บปัจจัยออกในบาตอาหารเก็บออกในบาตรมีกะละมังคอยรัดไว้แล้วคนหนึ่งก็คอยเก็บเอาอาหารจากกะละมังมาไว้ไปเป็นร้อโย่ไป แบ่งเป็นสองส่วนส่วนว น, นึงก็เอาไวจ้จินมสันกลางวันส่วนนึงก็เอาไว้สันตอนเท้าเสร็จแล้วก็ต้องปีหลักัานสัญญาพระเดงก็เดินมาสันเมื่อสันแล้วพระเดงก็ไปล้างถ้วยล้างจานของเองล้างบาตตัวเองเป็นนล้นก็ามาทําธุระหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติตัวเอง รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองต้องมีหน้าที่อย่างนั้นวัฒนธมนั้นตอนกลางวันก็เหมือนกั น, ตอ น, นตอนเช้าผมตอนเย็นแบบนี้เวลาตีสี่เวลาสีสาส่โมงหรือห้าโมงออกต้องตีละครั้งทำวัดเย็นกันเมื่อทำมัเย็นเสร็จแล้วก็มีการอบรมกันให้คิดออ เตือนจิตกิดใจกันเพื่อให้รู้ในปฏิบัติแต่ไม่ใช่จะมาเล่นๆแต่โดยมากวัดน้ำในไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีอัติเรฆาราบมากไม่มีคนจะเข้ามาอยู่มาอยู่ก็เพาะบุคนผู้ที่ต้องการปฏิบัติจริงๆปฏิบัติเพื่อรู้คนที่ไม่อยากรู้ก็มาอยู่ลําบากลําบนําคาลไม่อยากรู้ ดังนั้นที่มาอยู่ใน น, อน้อยอย่างที่ล้มไม้ต้นไม้มันเป็นธรรมชาติของมันแล้วแล้วก็มาศึกษากับธรรมชาติได้หลักพุทธศาสนารวมลักลักขั้นขั้นจัดใจควมได้ทันธุ์พันธุ์ฝังหลายเราเคยได้ยินในสมัยเจ้าทายสิทธะกุมารไปบวชเรื่องบวชนี้มีมาก่อนพุทธศาสนา มีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมณะเทพท่านเห็นรูปสมณะเทศท่านก็เลยออกบวชตามออเทพนี้หาทิงสบายไม่ได้ทำมาทำสวนเพื่อผ้ามีคนถวายหยุดยาเมื่อเจ็บใครได้ป่วยคนคงถวายท่านก็ออกบวชเลยออกบวชแล้ว ก, ก็ไปศึกษากับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น เรียอาราดาบทุเดชอาลาบทสองอาจารย์นี้คนที่แรกสอนให้ได้สมาบัติเจ็บสมาบัติเจ็บนั้นเราเคยพูดกันในตำราว่าลูกซานสี่ลูกสานสามเข้าสานออกสานได้ต้องแค่ว้องไวเหมือนกับอาจารย์แต่พระองค์นั้นก็ยังมีความดำริวานียังไม่ใช่ฐานแล้วยังมีควรเดือดร้อนควสับ ผลวุ่นวายภายนาในจิตใจอล่าจากอาจารย์อาจารย์ก็มดคุมนู้ไปเรียนอาจารย์คุณที่สองอาจารย์คุณที่สองได้สอนให้ได้สมาบัตแปดสมาบัตแปดเราเคยรู้กันว่ารูปสารสี่รูปประสานสี่ก็เรื่องสมาธิท้งนั้นเข้าสารออกสารได้ค่องแค่วว้องไวเหมือนกับอาจารย์ ทุกแน่ทุกมุมเมื่อเข้าสารออกสารได้ทุกแน่ทุกมุมเหมือนกับอาจารย์นักฐานอาจารย์อาจารย์ก็บอกคนรู้แล้วประกาศธรรมะที่เรียงจากเรานี่ไปจะสอนคนอื่นให้เขารู้พระองค์ก่อนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคําดับทุกพระองค์ไม่ยอมประกาศอันนั้นจะแสดงว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ไหมได้ เฉพาะบุคคลผู้ไม่อยากรู้ถ้นทาพุทธอย่างนี้ก็จะเจหมาะหน่อยไม่ว่าเป็นได้แต่เฉพาะบุคคลที่โง่มันเก็บแต่คนจริงไม่อยากรู้กับโง่คนเดียวปัดบุคคโง่นั่นเนีอยจึงไม่คิดเรียกบุคคลไม่อยากรู้อันนั้นไม่เป็นพระพุทธเจ้าออกจากนั้นมาพวกมันจะโอเคทั้งห้าติดตามมามาอดข้าวไม่กินข้าวอดน้ําไม่กินน้ํา ไม่พูดไม่คุยกับใครขั้นลมหายใจท่านทั้งหลายได้เรียนมาแล้วไม่มาก่อ น, น้นอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนหลงทางทำไปตามอารมณ์วามนึกคิดเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์แล้วคนผู้ที่สแสวงหาก็ต้องทำไม่หยุดทำถึงที่สุดแล้วรับเนือ้อขัดตัวตรงนี้ ไม่ใช่ทางแล้วกลับมากินมะขามป้มามะสมงพวกปัญจวคีก็เห็นว่าเออนี่ขายโคมเทียนเลียนมามากมากอยอแล้วคงจะมัดดับทุกข์ไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้ปัญจวคีทั้งห้าคนนี้อันนีุ้ณยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> ฟังแล้วก็คิดด้วยตอนนั้นก็เดินไป าการเจ้ิีทั้งห้าก็เดินไปคนละทางพระองค์ก็เดินไปคนเดียวกินมะขามป้อหมักส้มมอไปพระสงในเี๋ยนี้ก็กินมะ ข, ขามป้อหมากส้มงอว่าพระงคงกินไม่ผิดก็ถูกเหมือนกันแต่ในใจห้ามเราสู่กันฟังความจริงมีอย่างไรก็สํางเล่าสุกันฟังเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งองค์ก็เดินไปพบกันางสุสดา นางสุสดาเข้าไปบวงสวงเทวดาเพราะไม่รู้เทวดาก่นนึกว่าเทวดาเป็นยังไงไม่ต่างพอดีพระองค์ก็ไปเห็นเปงก็เลยสั่ข้าวนางสุสดามาถวายพอดีนางสุสดามาเจอเข้าพระองค์ก็เลยถามเอามาถวายใหพระองค์ น, งคนึกว่าพระองค์เป็นเทวดาอันนี้พ่อแม่กับน้องให้ฟัง บูบาอาจารย์กเล่าให้ฟังเรื่องนี้วันนี้พอดีพระองค์ก็เลยถามนางุศดาว่าจะถวายตั้งแต่ข้าวหรือหรือจะถวายทั้งหมดหนางุศดาก็บอกว่าไม่ต้องการอะไรคืนถวายทั้งหมดตอนนี้พ่จะนาวเองกรุงเทพอยู่ใกล้น่านจักรยาไปทดลองน่นจักรยาก็ได้ เมื่อคนใดอยู่จังหวัดไหนมีแม่น้ำก็ไปทดลองอดูก็ได้เมื่อพูดเช่นนั้นพระองค์ก็กินข้าวนางพิสดาแล้วก็จัดเอาถาดเรือขันอันนั้นไปอธิษฐานลิมแม่น้ำบอกว่าถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสิ้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายคายกิเลสลุกจริงๆแล้ววางถาดเนือขันใบนี้ที่บนผิวน้ำนี ให้ทาดเลือกขันใบนี้ทวนกระแสของน้ําขึ้นไปหาต้นน้าไว้จังงั้นตรงกันข้ามถ้าหากจะไม่ได้ตัดสรู้ดับทุกไม่ได้ข่ากิเลสไม่ได้วางขันหรือทาดใ บ, บนี้ลงบนผิ น, นให้มันไหลไปตามกระแสของน้ําพอดีพระองค์วางแล้วมันทวนกระแสของน้ำขึ้ไปอันนี้เราเข้าใจตามตัวหนังสือครูบาอาจารย์เคยสอนมาอย่างนั้น แต่ความจริงแล้วท่านให้ดูความคิดของท่านก็ท่านวางขันลงไปนั้นแล้วท่างหมขึ้นมาที่ต้นโพมาพิจารณาบาเพ็ญทางจิตความจริงท่านได้ ส, สติแล้วท่านรู้โอ้ทำไปทั้งจริงทุกอย่างแล้วยังไม่เคยได้ดูความคิดเราจะพยายามดูความคิดถ้าหากดูความคิดเนี่ยมันจะ ด, ดับทุกได้จริงไหมทําคิดขึ้นมาในใจแต่เราไม่ได้เห็นดอกประวัติาตายแล้ว ในประเทศอินเดียโน้นเราก็ไม่ได้เคยไปจึงไม่รู้พอดีท่านมาดูความคิดมันคิดท่านเห็นท่านตอนนี้เรียกว่าเป็นการบรัเพ็ญนากจิตอย่างที่เรามาขั้นต้นๆมาถึงที่ว่ารูปบาบูปอันนั้นเป็นเรื่องรูปน้ำตอนนี้เป็นเรื่องน้ำรูปตอนที่บังเพ็ญนาจิตเรียกวเป็นน้ารูปจะมีรูปน้ำได้มีน้ำรูปมักลับกัน พอดีพระองค์คอยดูคนคิดมันคิดมาปุ๊บเห็นปั๊บเหมือนแมวจับหนูนี่แหละคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บก็เลยทันคนคิดจิตใจก็เลยสลายเปลี่ยนแปลงเป็นหนักเป็นเบาอันนี้เราไม่เข้าใจว่าทวนกระแสของน้าจริงๆแต่ความจริงนั้นพระองค์มันคิดท่านไม่ไปกับคนคิดมันคิดขึ้นมาท่านเห็นท่านรู้อันนี้เข้าใจอย่างนั้น ยามั้นที่ว่าการนั่งหลับตาก็ดีอะไรก็ดีที่พูดแล้วว่าคนนั้นเอาแว่นตาถอดออกแล้วอาตมาถามเขาว่าเป็นโทษคันถ้าหากพระองค์สอนคนให้คนเป็นโทษจะสมกับเป็นศาสตราดายเอกของโลกไหมไม่สมใครว่าสมอาตมาเขว่าไม่สมสอนให้คนโง้จะสอนทําไหนต้องสอนให้คนสลาดที่พระองค์ต้เป็นคนสลาด รู้เท่าทันเหตุการณ์แม้จะเป็นปัจจุบันนี้ก็ตามหรืออดีตที่ผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ต้องแก้ปัจจุบันนี้พระองค์เป็นคนสลดัดจึงว่าต้องเลินตาทำก็ถามคนนั้นก่อนเลยเอากระจุกตาให้เขากระออคนจริงดหลับตานี่ไม่รู้อะไรทําการทํางานไม่ได้จะเขียนหนังสือในโต๊ะในเก้าอี้ก็ไม่ได้ เป็นตำรวจทหารจะไปจับปืนมาผัดมาแปลงคอไม่ดัดเป็นคนซื้อขายจะไปจับของมาซื้อมาขายคอไม่ดัดเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นครูประจำบาลเป็นใครไม่ได้เท่านั้นจะนั่งหลับตาอยู่ที่ตรงนั้นขาดการทำมาหากินขาดการทำมาหากินเมื่อขาดการทำมาหากินเรามันเดือดร้อนดังนั้นจึงว่าที่พูดนี้ไม่ใช่ใเชื่อ พูดให้ฟังตามคนจริงใจวัารับรองได้ถ้าทําอย่างนี้รับรองได้จริงๆว่าไม่ไม่มีวะทางจะไม่รู้เคยมีเพื่อนเพื่อนถามปฏิบัติจะรู้จริงไม่รู้แต่บางคนก็สงสัยว่าจะไม่้แต่รับรองว่านี้แต่ทําอย่างนานไม่เปลยนถามตีรู้รู้แก้ทุกตัวเองนั่นแหละทุกที่สุดคือความสงสัยลังเล ทุกที่สองพูดให้ความเป็นหัวงพ่อคือผมโกรธผมโรคผมหลงนี้นเองทุกประเภทที่สามคือผมยึดมั่นถือมั่นทุกประเภทที่สี่คือเราไม่รู้สิ่งไม่รู้ทางทุกประเภทที่ห้าคือเราไม่รู้สงบรวมสงบจึงมีอยู่สองอย่างด้วยกันสงบเพราะผมไม่รู้แบกหนึง่งสงบเพราะผมรู้แบกหนึง่ง ที่พูดให้มานี่ก็รู้สภาวะพอสมควแล้วพูดให้ฟังบางคนก็จําได้บางคนจําไม่ได้หลังต่อไปก็พูดกันไปอีกหากมีเวลาพอพดได้ความสงบแบบไม่รู้แบบหนึ่งสงบแบบอยากไม่รู้สงบแบบอยากรู้การปฏิบัติทำมากกวเหมือนกันปฏิบัติอยากรู้ปฏิบัติอยากไม่รู้นี่มันเหมือนกัน เมื่อนกับคนไปโรงพยาบาลไปหาหมอบางคนหมอตรวจเซกร่างกายแล้วให้ยามามาถึงบ้านไม่ยอมกินยาก็นีแต่ยาีาจะทําประโยชน์ให้คนได้ไหมไม่ได้บ้ดนี่หมอไปโรงพยาบาลอยากรูก้อยากกินอยากให้ลรคหายเมื่อไปถึงก็ไปหาหมอหมอเอาตรวจเซกร่างกายให้ยามาถึงบ้านกินยาจินก็ตามหมอสร้างยาโรคก็หาย อันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติตามที่แนะนำเนี่ยต้องรู้รับรองได้รู้จริงๆใครก็รู้จะรับสินก็รู้ไม่รับสินก็รู้สินคืออะไรเราไม่รู้คนนะึกว่าเราไม่มีสินสินแปลวปกติในขณะที่ญาติโยมฟังพูดเดียวนี้นี่แหละคือเรามีสินเป็นป ก, กติสมาธิ ก็คือเราตั้งใจดูการเคลื่อนไหวปัญญาก็รู้เมื่อรู้เข้ารู้เข้ารวนตัวเข้ามันจะถึงที่สุดของพกุกโดยไม่ต้องคาดหวังว่จาจะรู้อยังไงอะไรที่ไหนไม่ต้องพูดถึงก็ได้มันนี้ก็เห็นว่าสมผลเกเรลาแล้วจึงของรู้เดียงแค่นี้ขั้นตอนของการเจริญสติเราทุกคนก็คงได้ฟังกันหลายข้างหลายสาใน าการปฏิบัติตามลำดับ <c oughs> ที่นี่ก็อยากจะกพูดเพิ่มเติมดังที่พวกเราทั้งหลายจากจะกเอาไปใช้ในชีวิต <c oughs> ไปจำวันกันเลยส่วนมากพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นผู <c oughs> ้ที่มีภาระจิต รับผิดชอบในหน้าที่การเลี้ยงชีตการเลี้ยงขีพของตนส่วนมากก็เป็นราชการทำการทำงานกันทุกคนคงจะไม่มีโอกาสเหมือนกับพระสง์หรือผู้ที่พอสละโอกาสเวลามาอยู่วัดมาปฏิบัติกันจริงๆที่นี่ตัวการปฏิบัติเราจะไม่พูดถึงภาคคิดแตดี จะพูดในให้เข้าสัมผัสกับตัวสติจริงๆผมก็เคยพูดหลายข้างหลายข่าวเกี่ยวกับการเจริญสติถ้าเราเพียงแต่เป็นทาเป็นรูปแบบไม่ได้ปลูกสติลงไปจริงๆแม้นว่าเราจะมานั่งอยู่ในวัดเดินจงกรมสร้างจังหวะนั่นก็ยังใช่ไม่ได้เลยยังเป็นเพียงรูปแบบ ทีนี้ถ้าจะให้เป็นการเจริญสติเป็นกรรมเป็นกรรมฐานจริงๆต้องประกอบให้ได้สัมผัสกับตัวสติตัวสตินี่ก็ปลูกลงไปกับการเคลื่อนไหวสองส่วนใหญ่ส่วนกายส่วนหนึ่งส่วนใจส่วนใจเขาเรียกว่าการคิดนึกมันก็เป็นการเคลื่อนไหวส่วนใจส่วนกายก็การเคลื่อนไหวส่วนกายเพราะชีวิตของเราประจําวัน ใช้ชีวิตประจำวันต้องทําการทํางานต้องไปมาทาาสายทำงาอาชีพต้องเคลื่อนไหวไปมาทีนี่ตามรูปแบบเราก็มีการสร้างจังหวะการเดินจงกรมทีนี่บางทีเราไม่เหมาะที่จะไปสร้างจังหวะการเดินจงกรมในบางส่วนบางครั้งบางฉากเช่นในที่ทํางานหรือบนรถเมล์ เวลาอื่นที่ไม่ไม่จะเหมาะในการ เ, เรินแบบสร้างจังหวัดเราก็กําหนดการเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนรูปนี่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาส่วนรูปนี่นะมันเคลื่อนไหวก็ที่ตลอดเวลาการหายใจนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวส่วนนการกระพริบตาก็เป็นการเคลื่อนไหวส่วนน่ตลอดการเตียนในบทยยใหญ่ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นการเคลื่อนไหวส่วน ทีนี้ถ้าเราจะถ้าเราจะทำให้เป็นการต่อเนื่องเราก็กาหนดซะจะขีดบทเล็กๆน้อยๆก่อสมมติอย่างกระดิกนิ้วเล่นๆอย่างเรานั่งอยู่บนรถเมให้รู้สึกว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่บนรถเมกระดิกนิ้วให้มันมีความรู้สึกอยู่ให้รู้สึกอันนี้ก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวทีนี้เราไม่ต้องเคลื่อนไหวก็ให้รู้ตัวว่าขณะนี้เรานั่งอยู่บนรถเม นั่งประคองมีควา ม, มรูม้สึกว่าเรานั่งกําลังนั่งอยู่บนรถเมล์เรากําลังนั่งทํางานทําการเรากําลังพูดกับใครที่ไหนนี่เป็นเป็นการเจริญสติหรือว่ากรรมถ้าเราประกอบการถ้าเราประกอบกับตัวสติอยู่อย่างนี้บ่อยๆก็เรียกว่าเป็นกรรมมาทำเป็นที่ตั้งของการกระทาําแต่ถ้าเรามาเดินจงกรมมาสร้างเสถียรแต่ไม่มีสติ เอาหูไปไล่เอาใจไปนาะใจไม่ใส่จิตไม่ตามมันก็กล่ามันไม่ใช่กรรมกรรมนั่นเป็นการตัดกรกรมเป็นกรรมที่ไม่ให้ผลใจเจริญสติถ้าไม่เกิดสมาธิปัญญาไม่ได้ตังนั้นวิธีการก็ดีรูปแบบก็ดีส่วนใหญ่มันอยู่ที่เราจะต้องกําหนดสติลงไปในบทนั้นๆเป็นส่วนสาคัญที่สุด ถ้าเราทำเฉยๆไม่ได้ปลกสิ่ลงไปสติเราก็รู้อยู่แล้วว่ะความรู้สึกตัวก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดจะคิดรู้สึกตัวตัวพร้อมอยู่นั่นแหละเป็นตัวสติวันเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันพยายามใช้สติอยู่กับสติจนเป็นนิสัยจนเป็นความเคยชินถ้าแต่ก่อนเรามีความเคยชินแบบว่าสิ่งแวดล้อมมันไหลไปความรู้สึกคิดนึกก็ไปตามสิ่งแวดล้อ ม, ม เห็นหน้าคนนี้ก็คิดไปอย่างหนึง่งเห็นหน้าคนนังก็คิดไปอย่างหนึง่งสิ่งวัลลองก็เลยรปรุงแต่งชักจูงจิตใจใหาเราไปต่างๆนะเป็นพบเป็นชาติดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้า ง, างดีใจเสีย ใ, ใจบ้างทุนนองนี้บัดนี้เราก็มามีปฏิสิทิ์ยาปล่อยไปตามสิ่งเวทล่องอย่าให้มันจเจริญไปทางนั้นอะไรก็ตามสำหรับผู้ที่ฝึกหัดใหม่ๆต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ก็พยายามอยู่กับกรรมพฤตการกระทํามนี้ให้ได้ตัจเจริญสติอยู่กับตัวสติให้ได้นานเท่าที่จะนาน่ะก็จะทําการทํางานอะไรก็ตามพยายามใช้สตินี่เป็นวิธีการปฏิบัติสําหรับใช้เป็นชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายอตอนนี้ผมก็ได้พูดเพิ่มเติมให้ข้อคิดสําหรับบางท่านที่ไม่ค่อยมีโอกาส สมมากพกเราก็เป็นผู้ที่มีจิตมีการงานทำด้วยกันทั้งนั้นจักรตมาก็เป็นเพศสมนะก็มีโอกาสเต็มที่มีเวลาเต็มที่แต่ก็นั่นแหล ะ, ะมันก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือพอสมเป็ถ้าผู้ใดทําได้ในโอกาสที่อ่าตามธรรมชาติถ้าใครคนใดผู้ใดทําได้เขายิ่งวิเศษเขยิ่งวิเศษ ถ้าเราต้องหาโอกาสบางครั้งบางเวลามาพูดกันมา้ากอย่างที่วัฒนธรรมในนี่จัดเป้นสถานที่ต้อนรับพวกเราโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้การเคลื่อนไหวการศึกษาของศาสนาแบบการเจริญสติกาลังตื่นตัวเป็นพิเศษตั้งแต่พวกเรากลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมที่คุณวุฒิชัยเป็นประธานได้จัดกลุ่มนมาศึกษาแบบนี้กร็รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวทาให การเผยแพร่สิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังกันมากกว่าที่จะที่เคยมีมาแต่ก่อนอันนี้ก็น่าอนุโมทนาพวกเราที่เป็นฝ่ายกระวาดแต่ก่อนก็เปแต่ฝ่ายพระสง์อยู่กันตามธรรมชาติมาศึกษาบ้านตกมาในปีนี้ช่วงปีนี้ก็รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวอันนี้ก็ขออนุโมทนาก็มีความหวังและฝากความหวังไว้กับพวกเราทั้งหลาย ก็จงนำเอาชีวิตของการเจริญสติปัฏฐานไปใช้เป็นชีวิตประจำวันของพวกเราจงด้วยกันทุกๆคนโรการ น, นี้อาตมาก็พูดเพิ่มเติมที่หลวงพ่อใจที่ได้ให้โอวาสแก่พวกเรามาก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมบ้างนิดๆนหน่อย